พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สพฤษภาคม2556นณชมลมพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยลามคำแหงมีชื่อเรื่องว่ายึดแนวแถวตามแนวหลวงปู่มั่น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 อัตตะซัมมาปนิธิเอตามังคารมุตตะมันตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งทางมหาวิทยาลัยของพวกเราทาบุญประจำปีกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยรามํำแหงครั้งที่สามอ่า วันครั้งนี้เป็นครั้งที่สตั้งแต่วันที่สและก็วันนี้เป็นวันที่สและก็ถึงวันที่หมีตามรายการที่พวกเราได้กำหนดการให้หลวงพ่อหลวงพ่อได้อ่านดูแล้วก็เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์สาหรับชุมชนในกลุ่มของพวกเราเพราะว่าจะมีการไหว้พระ จากนั้นก็ได้มาตักบาทจากนั้นก็ได้สมาทานศีลจากนั้นก็ได้มาฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์หลายหลายองค์และก็วันนี้ก็เป็นช่วงที่จะได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่ตกเย็นวันนี้หลวงพ่อก็ได้รับคำอาราธนาจากคณะทายาิโยมลูกหลานแต่ว่าการแสดงธรรมหรือว่าการให้แนวความคิด ในหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราทุกๆ ท, ท่านาทำมัเทสนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมบางองค์ก็หยิบเรื่องหนึ่งขึ้นมาพูดบางองค์ก็หยิบเรื่องหนึ่งเข้ามาพูดเพราะเหตุไรเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่แป0 0มืนสี่พันพระธรรมมขัดมีมากเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็คงจะหยิบมุมหนึ่ง ขึ้นมาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าความรู้ความฉลาดความสามารถสติปัญญาอยู่ในโลกเนี่ยมีมากมายมีมากหลากหลายในแนวความคิดพระพุทธเจ้าท่านฉเฉ็ตไปประทับอยู่ที่ขอบสระในป่าแห่งหนึ่ง พร้อมกับพระสงฆ์500รูป เ, เมื่อพระ อ, องค์นั่งประทับนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพระ อ, องค์ก็ได้เอามือกวาดใบไม้ที่ใบไม้ประดูหล่นดูแถบใกล้ๆพระ อ, องค์ได้มากามือหนึ่งพใบไม้หล่นหน้าใบไม้หล่นก ำ, กำมากมือหนึ่งพระพุทธองค์ก็ถามเป็นปริศนาพระสงฆ์ถามพระสงฆ์ว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลาย ใบไม้ประดู่ที่เรากำขึ้นมาในกำมือของเราเนี่ยกับไม้ใบไม้ประดู่ที่หล่นลงในพื้นแผ่นดินเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์มีนิดหน่อยใบไม้ที่หล่นอยู่ในแผ่นดินมีมากกว่าพระเจ้าขา่าพระพุทธองค์ก็บอกว่านี่แหละสงทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายทำคาสอนที่เราตถาคต เอามาแนะนำสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับใบไม้ประดู่อยู่ในก ร, ร ม, มือของเราแต่สิ่งที่เรารู้ เ, เรื่องต่างๆที่ว่าฉยัมภู ร, รู้แจงโลกมีมากมายเหมือนกับใบไม้ประดู่อยู่ในแผ่นดินแต่สิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทำให้ให้พวกท่านทั้งหลายาปฏิบัติต่อศีลธรรมสมรัมมาทิฏฐิมรรคแปะ แล้วก็ทำให้จิตใจพ้นจากทุกในวัฏสงสารไม่มาเวียนไห้ตายเกิดในวัฏสงสารนี่แหละเราจะสอนเพียงใบไม้ในกา ม, มือแต่สิ่งที่เรารู้มีมากมายวิชวิชาธรรมศ า, าสตร์อาวุธวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กฎหมาย เ, เรื่องต่างๆเรารู้ทั้งหมดเพราะเราเป็นสยามภูรู้หมดแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดประโยชน์นั้น เราได้นำมาบอกกล่าวให้กับพวกท่านทั้งหลายเหมือนกับใบไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม้ประดู่อยู่ในกำ ม, มือของเรานี่แหละท่านเปรียบเทียบน้อยนิดที่พระธรรมคำสอนที่จะแนะนำบอกกล่าวเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ได้มาอบรมและมาบอกมาทางแสดงธรรมแต่และองค์เนี่ยท่านก็ได้นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละ ม, มุมแต่ละเรื่องมาบอกกล่าว ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อเองมาได้อ่านในอ่านในหนังสือกําหนดการเนี่ยว่าเป็นพุทธธรรมกรรมฐานยึดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อได้ยินก็เออเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เหมาะสมหลวงพ่อเองได้ยินแล้วก็เปลื้มใจกับแนวความคิดนี้ทําไมหลวงพ่อจึงปลื้มใจเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเข้าข้างตัวเองอย่างนั้นใช่ไหม ก็ไม่น่าจะใช่เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านวางไว้ทั้งสี่สิอย่างเรียกว่ากรรมฐานสี่สบและกรรนอกกว่านั้นไปอีกมีมากมายที่กรรมฐานที่พระพุทธเจ้า ว, วางสอนเอาไว้ให้กับพุทธบริษัทสของพระองค์แต่ว่าเมื่อพระองค์วางกรรมฐาน40สบอย่างให้ไว้ให้กับพระสงฆ์หรือว่าสาวก พุทธบริษัทของพระ อ, องค์ให้นำไปประพฤติปฏิบัติแต่หลวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของพวกพวกเราที่หลวงปู่มั่นพาดำเนินท่านเอาสองกรรมฐานมาประยุกต์ใช้กรรมฐานอะไรที่หลวงหมู่ปู่มั่นเอามาประยุกต์ใช้คื อ, ค อ, คอทำกรรมฐานคือสมถตกรรมฐานส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้น หลวงปู่ท่านก็จะแนะนํำวิธีการแต่สมถะคือทําจิตใจยังไงจะทําให้จิตใจสงบจิตใจนิ่งจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งท่านบอกว่าท่านเอากรรมฐานสองอย่างมาประยุกต์ใช้คือในกรรมฐานสิบ อ, อนุสติสิบพุทธานุสติธรรมานุสติสงังขารนุสติ ศีลานุสติชาคานุสติเทวตานุสติอานาปานุสติมรณะนุสติอุปสมมานุสติอันนี้คืออนุสติสิบแต่หลวงปู่มั่นท่านเอาสองอย่างคือพุทธานุสติกับอานาปานสติสองอย่างนํามาประยุกต์ใช้เวลาหายใจเข้าพุทธานาปานสตินะแล้วก็เวลาหายใจออกโธเนียกว่ากรรมฐานสองอย่างคือ พุทโธกับอนาปานสติทำไมบางคนเมื่อไม่นานมานี้มีคนจากกรุงเทพขึ้นไปหาหลวงพ่อเป็นชายหนุ่มก็ไม่ใช่หนุ่มเท่าไหร่ประมาณอายุประมาณจัก30ปีเขาก็เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเน่แหละเขาก็ไปศึกษาหลายๆกรรมฐานหลายๆแนวทางหลายๆคณาจารย์หลายๆครูบาอาจารย์ ไปศึกษาองค์นั้นองค์นั้นก็สอนไปศึกษาองค์นี้องค์นี้ก็สอนที่นี้พอไปหลายๆองค์ก็งงเลทีนี่ไม่รู้จะยึดอะไรมาปฏิบัติเพราะองค์หนึ่งก็สอนอย่างหนึ่งองค์หนึ่งไปก็สอนอย่างหนึ่งดังนี้ท่านก็เขาคนนั้นก็มาเข้าไปกราบหลวงพ่อแต่ขณะที่จะเข้าไปกราบหลวงพ่อเนี่ยก็เขาไปกับเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาอยู่ที่อุดร ไปก็เถียงประกันไปตลอดทางเรื่องกรรมฐานเอเพราะว่าเขาในศึกษากับองค์นั้นศึกษากับสำนักนี้ศึกษากับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ เ, เพราะในส่วนก็นเลยไม่รู้จะเอาอย่างไงเอเถียงกันมาตลอดทั้งทางอสองคนเขาอานั่นแต่คนหนึ่งก็อดที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ได้แต่ว่าคนนี้นะเขาจริงจังจากกรุงเทพนะ่เขาก็ไปถามหลวงพ่อท่นี่ยหลวงปงพ่อครับ ผมมาเดินทางมาเนี่ยเนี่ยคนคนเนี่ยเพื่อนของผมเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยเขาไปศึกษากรรมาฐานครูบาอาจารย์หลา ย, ลา ย, ลายแห่งองค์หนึ่งเขาก็แนะ น, นํน า, า, า, าองค์หนึ่งในคณาจารย์ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งก็แนะนําอย่างหนึ่งผมก็เลยมาถกเถียงกันตามรถเนี่ยมาพูดกัน อ, อผมก็ว่าไม่น่าจะทําอย่างนั้นมันหลายแนวเกินไปยุ่งเหยิงเกินไปผมว่า มันไม่น่าจะถูกเพราะผมอยู่ดรเนี่ยผมกัภาวนาตามแนวแถวของอาสายหลงปู่มั่นแต่ที่เขาก็พูดขึ้นมาแล้วก็ถามมัน เ, เป็นยังไงแล้วก็ถามถามโอ้ยุ่งเหยิงวุ่นวายจริงๆที่นี่พอเห็นแล้วโอ้ใช่หลวงพ่อก็เลยตัดประเด็นเอาหยุดฟังก่อนอฟังก่อนฟังหลวงพ่อก่อนอย่าเพิ่งพูดนะจนกว่าหลวงพ่อจะบอกให้พูดจึงจะพูดในขณะที่หลวงพ่อพูดนะจะพูดจะแซงขึ้นมาให้ฟังสัก่อน เราฟังดูแล้วที่คุณพูดเนี่ยมันจับประเด็นไม่ได้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราจับประเด็นได้เราจะต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าให้บริกรรมอะไรในกรรมฐา น, นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าสติปัฏฐานสีอันนี้เราแค่เราฟังเอาไว้เนี่ยคือจุดใหญ่คือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละให้เรายึดจุดนี้เอาไว้ แต่ว่าเรา ừ, พอเรายึดจุดนี้ไปได้องค์หนึ่งก็ว่ายุกน้อพองนอองค์หนึ่งก็ว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายองค์หนึ่งก็เพ่งดวงแก้วองค์หนึ่งก็พุทโทหายใจเข้าออกบังโทกับพุโทโธทีทีอะไรลักษณะอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมไม่รู้จะเอาอย่างไรอ อ, องค์นั้นก็ใช้อัตมาในพูุทธโทถูกต้องนะเอาอย่างนี้นะคุณนะ ก็เน้นหนักอีกต่างหากตัวเองเขาไม่รู้จะเอายังไงไม่รู้จะเดินไปทางไหนงงไปหมดเลยหลวงพ่อบอกว่านี่นะคุณต้องฟัง เ, เหมือนกับคุณไปถามว่าเอ๊ะวิธีการ อ, อยากจะได้เงินนะ อ, อยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขได้รับความสุขนะเนี่ยผมอยากจะทำวิธีทำทำอะไรที่จะได้รับความสุขและมีเงินใช้เนะี่ยเอ้ยทำนาผ ม, มทำนานะ่ วิธีการทํานาทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จากนั้นก็ขายข้าวก็ได้เงิน เ, เลี้ยงครอบครัวสบายไม่มีอะไรเอคนหนึ่งแต่คนหนึ่งบอกโอออเไปถามเกียรติยางต้องปลูกยางอปลูกยางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เกียรยางขายได้เงินเลี้ยงครอบครัวมีเงินสบายไปถามคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็บ่าขายของชําขายน้ํามันทําราชการเออ เป็นพอค้าประชาชนเป็นข้าราชการเป็นพิาานนาานพากษาอายการตำรวจทหารพิชาอาชีพมันตัางมากมายที่ไม่รู้เราจะทํำยังไงเขาก็ได้เงินเหมือนกันพิชาไหนก็เขาก็ได้เงินตัวเองก็เลยงงเลยไม่รู้จะเอาอยัางไงนี่แล้วลักษณะอย่างนี้แหละคุณเนี่ยนะที่มองๆดูแล้วมันลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะยึดอันไหนเราจะยึดแนวทางไหนถ้ายึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเนี่ยยึดตามแนวแถวหลวงปู่มั่นนะ ถ้าจะฟังก็ฟังพ่อหลวงตามหาบัวท่านตะก่อนท่านก็เรียนได้เป็นมหาถึงสามประโยคจากนั้นท่านก็ขั้นก็บอกว่าเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกตามแนวแถวที่เราได้ศึกษาคือพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ตรู้ที่ท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นแต่ว่าบางทีมันหลุดมันหลุดไปได้ง่ายมันเผลอไปได้ง่ายเพราะนั้นหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าเอ้ยให้ยึดกรรมฐานที่หายใจเข้าบริกรรมพุธมีพุดด้วยนะหายใจออกบริกรรมโถให้ยึดพดโทด้วยให้เป็นสอง ให้ยึดพุทธโธนะอย่าให้เผลอถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยมันหลุดได้ง่ายให้บรกิกรรมพุทธโธด้วยเราก็ยึดพุทธโธตามแนวแถวที่หลวงปู่มั่นสอนเราวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นวันที่ทุกจริงจริงเพราะเราบังคับใจให้อยู่กับพุทธโธมันเผลอไปกระดึงกับมันถือไปกระดึงกับมันทุกจริงๆแต่พอวันที่สี่จิตใจ ของเราบังคับให้อยู่กับกรรมฐานเจ็ดใจจู่เท่นี่อพออยู่กับกรรมฐานเท่านั้นแหละโอ้มันมีความสุขจริงเราบอกกับเราได้เลยว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปใจของเราจะไม่เสื่อมเราจะไม่หลุดออกจากกรรมฐานอีกเราจะอยู่กับนี่แหละอหายใจเข้าพุทธไห้ใจออกโทมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี้อตั้งแต่บัดนั้นมาเราก็ได้หลักนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อกรรมฐาน ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่องค์หลวงตาท่านได้บอกกล่าวเพราะฉะนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่ฝึกหัดอันไหนก็ถูกทั้งหมดเราไม่ได้ว่าเรื่องนั้นไม่ถูกแต่ท่านองค์นั้นแนะนําไม่ถูกองค์นี้แนะนําไม่ถูกแต่หลวงพ่อเองในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นข อ, ขอให้พวกเรายึดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นพระที่เขาไปบวชกับหลวงพ่อเหมือนกัน หลวงพ่อบอกว่าลูกหลานคณะในขณะที่มาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วเดือนกว่าๆเนี่ยลูกหลานอย่าไปยึดกรรมฐานอื่นนะให้เอายึดแนวแถวกรรมฐานของหลวงปู่มั่นก่อนอย่างที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนอย่าไปเอากรรมฐานอื่นนะเพราะว่ามาศึกษากับหลวงพ่อแล้วไปเอากรรมฐานอื่นพอกรรมฐานอื่นแพ่งอย่างงุ่นแพ่งอย่างนี้น พอมันเพ่งนอกเข้ามาเป็นวิปัสนูอุปกิเลสเป็นบ้าขึ้นมาอะไรจะตําหนิหลวงพ่อไม่ได้นะเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนตามแนวแถวที่สายลบปู่มั่นท่านสอนอย่างไรเพราะฉนั้นขอให้พระลูกพระหลานทั้งพวกองค์ในขณะที่มาอยู่กับหลวงพ่อี่ให้ปฏิบัติอย่างหลวงพ่อไว้ก่อนถ้าหากว่าต อ, ออกไปแล้วท่านเราปฏิบัติ ด, ดูแล้วไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลไม่เต็มที่เมื่อเราออกไปแล้วเราปฏิบัติ อย่างที่เราต้องการก็ไม่สายเกินไปหรอกเพียงเดือนเดียวนะหลวงพ่อบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานพระลูกพระหลานทั้งหลายนะให้ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านให้ภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธแล้วก็ให้ถ้าหากว่ามันยังเผลอไผลมันยังหลงไหลไปได้ง่ายง่าให้พจนกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธให้ถี่นี่จะไม่ต้องพูดออกปากนะให้พุทธ ให้ใจพูดพุทโธให้ความนึกคิดจดนั้นแหละให้พุทโธพุทโธพุทโธนึกคิดเนี่ยให้อยู่กับพุทโธฮะแล้วก็ลบพ่อเองแนะนําขอแนะนําผ้าลูกพระหลานอันนี้เป็นแนวความคิดที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาอันนี้เป็นแนวความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อเ พ, พราะว่า ก, กรรมฐานที่พระพุทธเจ้า ว, วางไว้ทั้ง40อย่างอันนี้คือพอประมาณเท่านั้นท่าไม่ได้ขีดจากัดว่าต้องมี40เท่านี้ท่านไม่ได้ว่ามากกว่านั้น เพราะนั้นเมื่อเราภาวนาอันไหนที่จะทำจิตใจให้ของเราให้สงบได้จิตใจให้เป็นหนึ่งได้เราก็ยึดกรรมฐานนั่นแหละแต่หลวงพ่อขอแนะนำกรรมฐานหนึ่งนะหายใจเวลานั่งภาวนาเวลากำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทมันไม่อยู่แล้วก็บริกรรมทีๆพุทธโทพุทธโทมันก็ยังไม่อยู่มันยังทะเลทลยให้ทดลองดูนะให้หายใจเข้าให้นับหนึ่ง หายใจออกนับสองนับสามนับสี่นับห้าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจออกนับสามนับสี่นับห้าไปถึงร้อยแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่ถึงร้อยแล้ทำไมเผล่นะถ้ามันเผลอแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่ทำไมให้นับนับหนึ่งสองนคือหายใจเข้ามันเป็นเลขขี้หายใจออกมันเป็นเลขคู่1 2 3าี่้าด สรุปแล้วก็คือขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยมันจะเผลอที่ตรงไหนถ้ามันเผลอมันจะบอเบอร์เบอร์เสร็จแล้วมันจะนับเวลามันจะคู่ขี้เทนดิไม่ใช่ขี้คู่แล้วเท่ดิเอ่มันสลับกันแล้วเอ่มันจะคู่ขี้คู่ขี้ไปเอ่แปว่าเราเผลอแล้วเอากลับมาเอาใหม่เอาขี้คู่อีกหนึ่งสองสามสี่จนถึงร้อยนี่แหละเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเราจะเผลอในช่วงไหนเราจะเผลอ มากน้อยแค่ไหนถ้าเราเผลอบ่อยๆไม่เป็นพ้นดีนะเออคนขาดสติบ่อยๆไม่เป็นผลดีนะเออที่คนเออเป็นบ้าเป็นบอเป็นโรคประสาทนั่นคนขาดสตินั่นแหละเพราะฉะนั้นเราอย่าให้ขาดสติให้ตั้งสติให้ดีเวลาหายใจเข้านับเนี่แหละวิธีการอันนี้แหละคือวิธีนั่งสมาธิตามที่แนวแถวของหลวงปู่มั่น ที่ท่านแนะนําสัง่งสอนจากน่านท่านก็ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําบอกกล่าวว่าสมาธิมีอยู่3ระดับคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในทำในการทําสมาธิเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันเผลอไปที่ไหนให้มันเน่งให้มันให้มันอยู่บังคับให้มันอยู่ นั่นเมื่อบังคับหลายครั้งต่อหลายหนใจของเรามันจะรวมสงบเข้ามาช่วงระยะหนึ่งเข้ามาแบบวาบเย็นวาบเย็นสบายในระดับหนึ่งอันนี้เรียกว่าคณิกะคณิกะสมาธิเป็นสมาธิในช่วขณะหนึ่งจากนั้นก็เราจะจําไม่ลืมเพียงขณะเดียวเท่านี้พวกเราก็จะจําไม่ลืมโอ้เมื่อกีนะ้เราเป็นอะไรทําไมเราจึงมีความสุขเย็นใจถึงขนาดนี้นะอันนี้เรียกว่าคณิกะ เร่าชูขู่ชั่วขณะหนึ่งจากนั้นทางเราก็พยายามพยายามบังคับไม่ให้มันปุ่งไปทางอื่นให้อยู่กับกรรมฐานอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิสติกับจิตสติกับจิตจิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวคล้ายๆว่าวคุมจิตนึกคิดเรื่องอะไรสติคุมจิตอยู่มองจิตอยู่รู้จิตอยู่จิตใจของเราคิดเรื่องอะไร ใจไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่สานใจอยู่พูดง่ายๆใจอยู่ในใ น, ในความรู้สึกของเราที่ให้มันอยู่ใจไม่คิดไปทางอื่นมีสติควบคุมจิตอยู่แต่มันจิตใจมันยังรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราคิดนึกคิดเรื่องอะไรแต่มันไม่ปุงนะจิตใจสติควบคุมจิตอยู่คิดนึกคิดเรื่องอะไรรู้กับตนเอง อันนี้เราว่าอุปจารสมาธิแต่อปปนาสมาธิเนี่ยจิตรวมลงสงบลงเป็นนิ่งลงไปอีกเอเหมือนกับตกเหวตกบ่อบางคนนะบางคนก็ตกใจจากนั้นถอนขึ้นมาก็มีแต่ไม่ต้องจกจกใจมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นให้มีสติดูจิตของตนเองเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งอันนี้เราว่า อัปปนาสมาธิ hey. อัปปนาสมาธิเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเสียงรถเสียงราเสียงขู่เสียงคนเสียงอะไรไม่ได้ยินทั้งหมดเนเหมือนกับใจของเราอยู่นิ่งเป็นเอกเทศคือใจจิตของเราใจของเราไม่ได้มาออกมาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางกายเลยอเป็นเอกเทศใจเป็นอยู่เป็นเอกเทศใจสงบที่เป็นอัปปนาสมาธินิ่ง เมื่อจิตใจนิ่งจากนั้นก็ได้เวลามันก็ถอนขึ้นมาตามกาหนดของมันบางคนก็อยู่ได้นานในอัปปนาสมาธินั้นบางคนก็ไม่ได้นานบางทีก็2องสามนาทีบางทีก็มากกว่านั้นอันนี้เมื่อถอนขึ้ น, นมาแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าโอ้เมื่อกี้นี้ใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งโอ้มีความสุขจริงสมกับทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเออจริงฮออ่มีความสุขจริงๆเมื่อจิตใจเขาสู่ความสงบในระดับนี้แล้วก็เชื่อมั่นในตนเองอีกต่างหากท่นี่ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญก็เชื่อมั่นในตนเองเมื่อจิตผ่านความสงบที่เป็นอปปนาสมาธิเพราะมันเห็นได้ชัดร่างกายเห็นร่างกายตัวเองแล้วก็เห็นใจของตนเองใจกับกาย มันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถมันคนละอย่างกันมันคนละอันกันเห็นได้ชัดถึงขนาดนั้นละ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ภาวนาที่พ่อแม่ภูบาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านในภาวนาทําจิตใจให้สงบท่านจึงเชื่อมั่นว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะสิ่งที่ให้เกิดก็คือดวงวิญญาณคือใจคือนมามธรรมตัวรู้ๆตัวนั้นะ่ะ ที่จะไปพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะไปสวรรค์ชั้นพรมจะไปที่ไหนๆจะทำให้บริสุทธิ์หลุดพ้นมนีคือตัวนั้นตัวรู้ๆน่แต่ร่างกายของทุงกคนเป็นววิบากกกรรมนี่ที่เกิดมามีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้จะต้องถึงจุดจบสักอีกสักวันหนึ่งนี่แหละร่างกายตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่นมามธทรมคือจิตใจนั้น จะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดหรือทำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนี่ยแหละขอให้พวกเราคณะสัตญาติยาโยมทุกๆ ท, ท่านให้เชื่อมั่นในแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่องหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำบอกกล่าวให้กับพวกเราลูกหลานทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็เมื่อท่านแนะนาบอกกล่าวพวกเราแล้วหลวงปู่มั่นก็ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สาย หลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่มั่นเมื่อท่านจากไปแม่มาละภาพลงไปไประชุมเพิงท่านไม่นานอติธาต์อติธาต์ของท่านกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ศึกษาจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆก็เหมือนกันเมื่อจากไปไม่นานท่านก็ได้อัติธาต์ของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราน่าจะตายใจได้ น่าจะเชื่อถือได้น่าจะมั่นใจได้ว่าแนวแถวสายหลวงปู่มั่นพาดำเนินเ น, เนีเป็นสายของพระอริยะเป็นสายของพระรหันธ์เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาติโยมโลูกหลานทุกคนให้มั่นใจในแนวทางปฏิบัติให้ศึกษาจากนั้นเมื่อจิตใจเข้าผ่านเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะเดินทางวิปัสสนาวิปัสสนาปัญญาให้พิจารณาอะไรปัญญาเราศึกษา พิจารณาตามหลักทรรมคำสอนที่ท่านบอกว่าพิจารณาสติปัฏฐานสี่ก็กายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณากายเกษาโลมาณขาทันตาตาโจกหรือพิจารณาอาการ32มอผมขนเล็กเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปวดใช่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ก็ เป็นการพิจารณาทางวิปัสสนาหรือจะพิจารณากระดูกในร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเรามีกระดูกเป็นโครงสร้างอยู่ข้างในใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครใครปฏิเสธนะร่างกายของเรามีเป็นโครงกระดูกมันจะอยู่นานสักเท่าไหร่ร่างกายที่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะเฮ้เหมือนกับโซเฟอร์พิจารณารถตัวเองนะ รถคันนี้มันมีคันสี่มันมีหม้อน้ำมันมีสายพานมันมีอะไรในในรถคันนี้จริงไหมถามตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราก็ถามว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงไหมอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนี่จะต้องแตะจะต้องสลายจะต้องลงสู่ดินน้าร่มไปร่างกายของเราเนี่ขนาดร่างกายของเราเกิดมากับร่างกาย กายของเราเกิดมากับร่างกายแต่อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งร่างกายขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่เราของอย่างอื่นล่ ะ, อะของอย่างอื่นล่ะพ่อแม่พี่น้องอลูกหลานเงินคำทรัพสมบัติจศถาบรรดาศัก์จะเป็นของเราได้อยู่เหรอขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันนั้งจะทิ้งอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นมาอาศัยกายเท่านั้น เอออีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเทงทั้งหมดนี่แหละการภาวนาและการปฏิบัติมันอยู่ที่ใจนะท่านทุกสิ่งทุกอย่างมันออกไปจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจนี่แหละท่านให้พิจารณาอย่างนี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมคำสอนของพ่ อ, พ, อ, พ, ำำ อ, อ, พ, อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้น้อมให้หยั่งเข้ามาถึงตัวผู้รู้คือใจตัวนี่แหละเป็นตัวการใหญ่ กิเลสอยู่ที่นี่ราคาโทสะโมหะอยู่ที่นี่โลภโกรธหลงอยู่ที่นี่มรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นความรู้พอดีความโง่พอดีมันอยู่ที่ใจทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราถ้ า, ถ, าถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วพวกเราก็จะรู้ได้รู้จริงเห็นจริงในหลักธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้ประพฤติปฏิบัต เพราะนั้นพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้นับว่าเป็นผู้โชคดีหลวงพ่อว่านะพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเปลองต้นว่าหลวงพ่อเกิดมาแล้วก็ได้บวชในพพุทธศาสน า, า, าแต่อายุ11ปีจนถึงอายุเดียวนี้เท่าไรหกสิบเกแต่นี้กําลัง69สิบเก้านักนักสาติโ ย, ย, ยมนะพระที่เป็นบวชเป็นพระในสี่สิบปพรรษาแล้วบวกมเมตต์อีก8เป็นเท่าไหร่นี่แหละชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อ ที่ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาลุกหลวงพ่อเองนึกย้อนหลังดูว่าเราเป็นผู้โชคดีคนหนึ่ง เ, เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าปฏิรูปรเทสวาโซจะอย่างที่ลวกพ่อได้ยกเป็นพทธภาิีเบื้องต้นว่าปฏิรูปรเทสวาโซจ่ปุเพจากตะปุญยตา อัตตสัมมาปณิทิเอตัมมังการมุตะมันติปฏิโรปรเทสวาโซจะเกิดในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรคือประเทศไทยเพราะเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พานับถือพระพุทธศาสนาบรรพบุรุษของพวกเราเป็นผู้นำพานานับถือพระพุทธศาสนา เราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอย่างนี้นับว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญในตัวของเราเนี่ยว่าปฏิรูปรเทสวาโซจักปุกเพจากตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตในอดีตแต่ชาติที่ผ่านมาเราเมื่อทำบุญเสร็จแล้วก็ขอเออผู้ฆ่าเกิดพบหน้าชาติหน้าก็ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาให้ได้บาเพ็ญทานศีลภาวนา ให้ประกอบคุณงามความดีหาทางพ้นทุกในหลักของพระพุทธศ า, าสนาด้วยเทินอันนี้อะปุเพจจกกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิถ้าว่าพวกเราเกิดมาแล้วเกิดมาพบนี้ชาตินี้เกิดในประเทศอสมควรได้พบพระพุทธศาสนาแต่พวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบเกิดมาแล้วกัอนอะสเเัมมาเลเทมากินเหล่าเมายาสุราณีภ า, าชีกิลาบด สิ่งไหนที่มันชั่วช้าเสียลาโมกกันเราทำหมดทุกอย่างอันนั้นแปลว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบเ อ, อเมื่อตั้งตนไว้ไม่ชอบเกิดพบหน้าชาติหน้าเมื่อไปจากชาตินี้แล้วก็คงจะไปตกต่ำซะก่อนตกนรกเป็นจัดธิราชานันจากนั้นเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เป็นหมูหมากาไกเ่เป็นคนที่หูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตเป็นคนง่วงง้อเง้ า, ง า, งาเตาตุนไปเลยทีนี่เพราะอะไรเพราะตั้งตนไว้ไม่ชอบเพราะนั้น พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปฏิบัติได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมแต่คุณงามความดีคุณงามความดีนั่นแหละที่จะเป็นบุญกุศลเกื้อกุลหนุนสำหรับพวกเราจะไปสู่ปารโลกภายภาคนาตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้ใน m อ3าไม่รู้ว่ากี่ครั้ง เกือบจะเป็นเกือบทุกการนะว่าอากาตังทุกตังเสยโยปัจฉาตะปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทําแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าพวกเราทําแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญกุศลพวกเราไม่ติดคุกไม่ติดตารางแน่ๆ แต่พวกเราทำกรรมชั่วเมื่อไหรถล่มทำกรรมชั่วเมื่อไหร่ครุกตารางก็จะต้องติดตามตามตัวของพวกเราเข้าคุกเข้าตารางไปเพราะกรรมชั่วพวกเราทำแล้วพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่พวกเราทาแต่คุณงามความดีพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจผลนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่หลวงพ่อได้ยินมาพวกเรา เป็นพุทธธรรมกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นขอให้พวกเรายึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นให้มั่นคงนะยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะพ่ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นครูบาอาจารย์ของพวกเราเมื่อท่านหลวงรับดับขันไปอธัธิษฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเกือบทุกพระ อ, องค์เพราะอะไรเพราะท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ พวกเราก็น่าจะตายใจน่าจะเคารพนับถือเลื่อมใสในแนวทางปฏิบัติให้พวกเราศึกษาแล้วพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญนะการกล่าวสัมโมธนิยกาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลขอให้มาคุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุข ความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเถิดสาธุครับและการแสดงพระธรรมเทศนาก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็จะเปิดโอกาสให้ทัศน์ต า, าสาธุชนนะครับที่มาร่วม ง, งานมีโอกาสได้กล่าวเปลี่ยนถามคําถามท่านพระอาจารย์นะครับที่มีปัญหาที่สงสัยเวลา พรุ่งนี้ประมาณสัก15นาทีก็แล้วกันนะครับมีท่านใดมีคําถามอยากกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งใบลงไปให้ท่านกราบเรียนถามท่านด้วยตัวเองก็จะเขียนใส่กระดาษมาก็ได้นะครับรัชกาลหลวงพ่อครับก็อยากเรียนถาหลวงพ่อที่หลว่อให้ไปปฏิแบบัติปิบัติฐานสครับเรียปิบัติฐานสี่คือบอกว่า การที่ผเข้าใจก็คือว่าให้ปฏิบัติคนใจหมดหนึ่งกระจายควาที่จิตรู้ขนาดนั้นใช่ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับหรือว่าต้องปฏิบัติเริ่มตั้งแต่แรกเลยหรือว่ายัางไงครับเริ่มตั้งแต่กายยันรูปศาสนาผมยังค ง, งที่ผมปฏิบัติเวรคณ า, าหรือปัศนาดูแบบเจ็บปวดอย่างเงี้ยหรือดูจจตนาหรือปัสนาอย่างนี้นนานานนเลยสลับกันไปกันมากระจารความ ท, ที่จิตรู้ น, น, นั้นขณะนั้นอย่างเง้ยผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ พูดรัวเกินไปว่ะครั บ, รบก็ที่หลวงพ่อบอกให้ปฏิบัติสกิริปรขาน4ี่นะครับออทีนี้นผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับว่า ท, ที่ปฏิบัติสกิริปรขาน4ี่เนี่ยก็คือเราปฏิบัติกายานุปัสนาเวทนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาเนี่ยคือเราสามารถทำหมวดหมวดใจหมวดหนึ่งอย่างเช่นจิตานุปัสนาหรือเวทนาหรือปัจจัา ก็ได้ใช่ไหมครับการที่จิตรู้ณนะขณะนั้นนะครับคือสับกันไปสับกันมาใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องเรียงลาดับแันแรกคือใจใช่ใช่ใชถูกต้องเอาอะไรอันหนึ่งนะกายเวทนาจิตทำไม่ใช่ว่าเราจะเรียงลำดับไม่ใช่อย่าว่ากายอย่างนี้ยกําหนดลมหายใจเข้าออกเอาอะไรกําหนดลมลมคืออะไรลมก็คือกายใช่ไหมอย่าว่ายกนอพองนอแล้ว เ, เอาอะไรกําหนดเราก็ร่างกายกําหนดนั่นก็กายเหมือนกันนะ แล้ว่าเพ่งที่ท้องท้องของเราอย่างนี้นธรรมกายเขาบอกว่าอันนี้ก็คือกายเหมือนกันนะอันนี้ว่ากายยานุปัชนาสติปัฏฐานเนี่อแล้วเวทนาก็คืออย่างที่ว่าหลวงพ่อเทียนเทศ น, นยกให้ไม่เคลื่อนไหวอย่างเนี้ยให้เขาว่า น, นี้ก็คือเวทนาคือว่าเจ็บปวดในร่างกายหรือว่าเรื่อง่าการรมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นเวทนาอีกเหมือนกันนั่นแหะมันกระทบมันเคลื่อนไหวอยู่ น, นี่เวทนานุปรัชนาจิติปัฐานจิตตานุปรัชนาก็คือความนึกคิดของใจใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรมันไปทางดีหรือไปทางชั่วเราคนดูดูตามดูจิตของเราอันนี้ว่าจิตตานุปรัชนาจิติปฐานทำมานุปััชนาจะติปฐานที่สิ่งที่มากระทบใจเหตุสิ่งที่มากระทบมากระทบใจเราดีใจเราเสียใจเราทุกข์ใจเราสุขใจ อันนี้ก็ว่าธรรมานุปัฏนาสติปัฏฐานนี่แหละจะพิจเอาอะไรแต่โดยมากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านว่าเอากายกา ย, ยานุปัฏนาสติปัฏฐานถ้ามันหยาบท่านดูดูของหยาบซะก่อนถ้าจับกายอยู่แล้วจับลมอยู่แล้วจับเวทนาก็ได้จับจิตก็ได้จับธรรมก็ได้แต่ขนาดจับกายก็ยังไม่อยู่จะไปจับ เวทนาไปจับกิจไม่มีทางที่จะที่จะเห็นได้เพราะนั้นท่านจึงให้จับกายซะก่อนนะครับกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมมีผู้กราบเรียนถามคำถามนะครับว่าการนั่งภาวนาแล้วเกิดเวทนาถือว่าเป็นการชดใช้กรรมหรือไม่ครับผมตามไ่จริงเวทนามันเกิดได้ทุกเวลาใช่ไหม ถึงเราจะไม่นั่งภาวนามันก็เกิดได้ใช่ไหมละ่ะเราจะว่าใช้กรรมก็ใช้กรรมที่เราเกิดมามก็ต้องได้ใช้กรรมเลยละ่ะกรรมคือการกระทำของเราถ้าเราไม่เกิดมาเนี่ยทพ้นทุกนาาิพพตสงสารไม่เกิดมาเราก็ไม่ต้องใช้กรรมใช่ไหมละ่ะอันนี้พอเราใช้กรรมเนี่ยก็เพราะว่านี่แหละเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องได้ใช้เวทนาแต่บางคนก็บอกว่า ทำไมเวลาผมนั่งพอนาจึงปวดแข้งปวดขาเอาบาเวลาไปนั่งดูหนังฟัง ล, ลําล่ะนั่งดูโทรทัศน์เนี่ยทําไมไม่ไม่บวดว่ามันปวดมันก็ปวดเหมือนกันแต่มันก็สู้ใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอมันจะไม่ให้มันปวดใช่เลยเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องปวดแต่ว่าปวดก็สักว่าปวดเอา่าเราก็ต้องสู้สู้ไม่ไหวอ่ก็ต้องขยับขาเลยถ้าขยับขาก็ยังไม่ไหวกันนอนเนี่นตัว เออเนี่แหละเราก็ต้องสู้สู้ซะ ก, ก่อนนะอย่าไปถอยง่ายๆนะถ้าถอยง่ายไม่ใช่ลุกสิทธิ์พระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราจะนั่งสมาธินะถึงร่างกายของเราจะเหงื่อแห้งไปด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากอาชนะที่นีนะ่ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะเพราะนั้นพวกเรา ทำไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะนะข้าวไปเจ้าจะเดินนั่งพอนาะสักสามชั่วโมงตะคราวนี่นะ่ะเ อ, อ้นั่งดูสักสามชั่วโมงมันเป็นยังไงให้มันเป็นใชวะเนี่ยได้สักสามชั่วโมงข้าวต่อไปมันคงจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเออถ้าว่านั่งพอปอแปรเข้ามานะ่ยหายใจสูดสองสามคำขึ้นมาเลย โ, อ, โ อ, อ้ไม่ไหวไม่ไหวเอามันก็ไม่ไหวตลอดไปนะ่ะสู้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสู้ซะ ก, ก่อนนะ ครับอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็จนจิตสงบแล้วก็มีความกลัวเข้ามาในภาวะที่จิตสงบเราจะดับความกลัวอย่างไรครับอาจารย์อืมอันนี้ก็เคยมีเหมือนกันนะเวลานั่งภาวนาเข้าไปบางทีมันเกิดกลัวบางทีก็เห็นนิมิตเกิดขึ้นมา เห็นสิ่งที่ไม่พึงปราถนาขึ้นมาบางทีนั่งจิตสงบมันไม่ใช่สงบที่แท้จริงนะเป็นอุปจารสมาธินะขณะที่จิตของเราอยู่แต่มันเห็นนิมิตขึ้นมาเพราะนั้นในแนวแถวของหลวงปู่มั่นน่ยท่านท่านกำชับจุดนี้จุดนี้มากมากเลยท่านว่าถ้านั่งภาวนาลงไปไปเห็นเทวปุถุเทวดาเห็นสิ่งที่พึงปราถนาอะไรก็ตามอย่าไปดู อย่าไปส่งจิตไปตามนั้นให้ย้อนย้อนจิตมาหากรรมฐานเดิมคือกรรมฐานที่เราภาวนาอะไรพุทโธแต่ที่แรกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยอย่าไปตามดูนิมิตให้ย้อนกรรมมากรรมฐานเดิมกรรมฐานที่เราภาวนาพุทโทพุทธโท น, นิมิตเหล่านั้นมันจะหายเหมือนปิดทิ้งเลยไม่ต้องตามดูแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้านั้นถ้าเราภาวนาไปแล้วใจของเราเห็นอย่างนั้น เอออันนั้นมันเป็นมันก็เป็นนิมิตอ่าเป็นคล้ายๆกับว่าคนที่จะมีนิมิตอย่างนั้นน่ะท่านบอกไว้เลยว่าในร้อยคนน่ะเพียงห้าคนที่จะเป็นนิมิตอย่างนั้นโดยมากจะจะไม่มีถ้าเป็นนิมิตอย่างนั้นถ้าได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์จะใช้นิมิตอันนั้นเกิดประโยชน์ได้แต่ใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไปใช้เสียขนได้ง่ายเป็นบ้าได้ง่ายๆคนง่ายอย่าอย่าอย่าดูอย่าตามดูนิมิตนั้น ให้ย้อนกับกรรมฐานอย่ังย้อนกรรมเข้ามากกรรมฐานเดิมนิมิตเหล่านั้นมันจะหายหายเลยนะครับกราบขอาการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมมีผู้ฝากกล่าวเปลี่ยนถามคําถามนะครับว่าหากเกิดมาเป็นชายไม่แท้แต่ตั้งใจอยากบวชจะสามารถบวชได้ไหมครับผมเอ๊มีมีหรือเปล่าแถวๆนี้บวชฮะ แต่ตามว่าจริงในหลักอันนี้มันพระวินัยนะพระวินัยคือหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าที่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดในวัดของหลวงพ่อเน่ยถามอันตรายเกธรรมอันตรายเกธรรมคือคนที่ไม่สมบูรณ์ที่จะบวชเป็นพระเนี่ยท่านถามว่าอันตรายเกธรรมท่านถามว่ากฎทั้งเจ้าเป็นขีดโทษไหมถ้าเป็นขีดโทษไม่ให้บวชเลอ การโทรเห็นเจ้าเป็นกระเทยไหมเนี่ยถ้าเป็นกระเทยไม่ให้บวชกีฬาโซนเจ้าเป็นขี้กาดไหมขี้กากขี้เกลื่อนน่ะมาติดหมูเนี่ยจะไม่กอดนะเอ่อเจ้าเป็นขี้กากขี้เ ก, ก, กลือก่อนไหมเอ่อนัตถิพันเตไม่ครับเเออเจ้าเป็นนี่เป็นศีลไหมไม่ครับเออเจ้าได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ได้ยังได้รับแล้วครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะจนถึงว่าขนาดเป็นนาคเนี่ยนะ ฟันหลุดอยู่แล้วผมขาวอยู่แล้วหลังค่อมอยู่แล้วหนังเหี่ยวอยู่แล้วอายุจะแปดสิบอยู่แล้วนะยังถามว่าวีสติวัดโซซิเจ้ามีอายุครบยี่สิบประยังะ่งผลอันนี้คือคือวินัยนะวินัยคือกฎหมายกฎหมายจะต้องถามถามให้ชัดเจนให้ได้ยินคณะกรรมการที่ตรวจสอบเนี่ยต้องให้ได้ยินให้เป็นกฎเกณฑ์นะ เพราะนั้นแนหะคือคื อ, ค, อคือพ่ะวินัยของพระสงฆนะ์อย่วินัยก็คือเหมือนกฎหมายนะมันไม่แพ้กันนะ่ะถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วนะแต่ตามไม่จริงที่เราถามเลกับค้งบวชไม่ได้แนละ้วลักษณะนั้นนะ่ะออปกไม่จริงเ อ, อ, พอพราะพุทธเจ้ามันวินัยมาแตาก่กระที่ <ขา S 1> แห<ร>ลกแล้วผมขอถามว่ากิเลสเกิดจากอะไรครับอะไรก่อถ้พ่อไม่ได้ยินชัดพูดอีก หลวงตาครับผมขอถามว่ากิเลสเกิดจากอะไรครับโอ้โหทําะไรถามถึงขนาดนั้นวะกิเลสเกิดมาจากใจใจสนิมมันเกิดมาจากเหล็กเหล็กมันเกิดมันไม่เหล็กซะก่อนมันจะมีสนิมไงสนิมมันกินเหล็กเอถึงยังไงยังไงมันไม่ไม่ทำคุณให้กับใจเรื่องกิเลสนะมันมีจะทําโทษให้กับใจ เหมือนกับสนิมนะมันเกิดมาจากเหล็กนะมันไม่ทําคุณให้กับเหล็กมีแต่ทําโทษให้กับเหล็กเน่กัดกร่อนเหล็กไปเรืเ่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสราคะโทสะโมหะมันเกิดมาจากใจแต่มันทําลายใจเนีพราะนั้นให้ชำระพระพระพุทธเจ้าให้ชําระชําระใจชาระยังไงชําระก็คืออนะไรตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดเนี่ย น, นะชำระชำระใจชําระกิเลสออกจากใจนะ ก็เก่งเว้ยนักเรียนนี่ยเว้ย anyway. กรรมธรัส ก, การ์จรันนะครับผมมีคําถามอยะขอรบกวนให้จย์แนะนํานิดนึงนครับเออเมื่อขนาดเริ่มนั่งสมาธิแรกๆเลยครับทุกคนเวลาหลับตาก็จะจอดาใช่ไหมครับเวลาหลับตาเป็นจอดำนะครับพอสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเป็นจุด ข, ขาวครับแล้วจากจุด ข, ขาวนี่ก็จะเริ่มขยายเป็นจอมนาวนครับทีนี้ก็าอยากจะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นนิมิตหรือเป็นปัญหาหรือว่าเป็น อะไรเปล่าอะไรอนี้ครับอ้าวตัวเองก็น่าจะรู้นะแต่ตามไม่จริงก็มันเป็นอุปทานอาจจะอาจจะมีส่วนเหมือนกันเวลาเรานั่งเข้าไปเนี่ยเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์หรือว่าใครเ อ, อบอกบอกแ น, นะนําว่าเวลานั่งภาวนาให้เพ่งให้จอ่อให้ดู อ, อ ใ, หสส ใ, หหดให้มีแสงสว่างให้กนะําหนดให้มีแสงสว่างในจิตใจอ ย, อย่างนี้ เราอาจจะมีส่วนพอนั่งเข้าไปมันอาจจะมีเป็นอย่างนั้เกิดขึ้นก็ได้แต่บางทีมันอาจจะเป็นของจริงก็ได้นะให้เราสังเกตดูนะให้สังเกตดูแต่ถึงยังไงจะเห็นอย่างนั้นก็มันเป็นอนันหนจ่งทุกขังอนาตาเหมือนกันนของไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ควรจะคิดว่าเป็นมีสาระมีประโยชน์เอถึงจะมันเป็นเป็นแสงสว่างเป็นจุกมันก็คงไม่สว่างเหมือนแสงอาทิตย์นะะเออนั่น้าหอแสงอาทิตย์ในห้องเราเนี่ยยังแสงสว่างกว่า เราไปยังไม่ให้ความสำคัญใช่ไหมเอออันนั้นเพียงนิดหน่อยเท่าเองถ้าเห็นแล้วก็ย้อนยิดย้อนใจมาหาความรู้สึกหรือ ว, ว่ากรรมฐ า, านเดิมให้กระจกนะครับกรับกราบข อ, อกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมมีผู้กราบเรียนถามคำถามนะครับว่าอยากกราบขออุบายทำรรนะครับในการพิจารณาหรือกําหนดระหว่างขั้นอุปจารสมาธิไปสู่ขั้นอัปปนาสมาธิ เวลาที่ผมเข้าสู่สมาธิมักติดขัดขั้นนี้ที่ลาคอแต่ก่อนเคยทำได้แต่ภายหลังละทิ้งไปนานเลยเข้าสู่อัปปนาสมาธิไม่ได้อีกเลยครับผมอมืคือบางครั้งมันก็เสื่อมนะแต่มันเสื่อมสาเหตุที่มันเสื่อมเพราะอะไรเราต้องตรวจตราดูตนของเรานะเราอาจจะหนักไปทางใดทางหนึ่ง อาจจะไปกินเหล้ามากก็ได้ใช่ไหมอาจจะเที่ยวมากก็ได้ใช่ไหมอาจจะทะเลทรายไปอย่างอื่นก็ได้มันก็ทําให้สมาธิมันเสื่อมได้เหมือนกันเพราะอันนี้มันสมาธิจุดนี้มันเป็นโลกียะสามารถที่เสื่อมได้ไม่ใช่โลกุตละถ้าโลกุตละแล้วไม่เสื่อมนะแต่ถ้าพระโสดาบันแล้วไม่เสื่อมถ้านอกต่ําจากนอกต่ําจากพระโสดาบันลงมาแล้วขนาดเทวทัตเหาะเหินเดินฟ้าได้ใช่ไหมคิดจะฆ่าพราะพุทธเจ้าเพียงแค่นั้นอะ่ะ เสื่อมหมดเลยโลกิยะเหาะไม่ได้เลยจบเลยเพราะเหตุไรเพราะว่ามันเสื่อมอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าตัวเองสังเกตตัวเองไม่ต้องถามใครอพวกข้าไปกินเหล้ามาหรือเปล่าธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นอ่ะมันต้องเป็นลักษณะให้สังเกตตัวเองนะเอาละมั่งมืันนี้เนาะครับทุกท่านพนมมือขึ้นนะครับ